วันอาทิตย์ที่24มีนาคมคศ2539เป็นการบรรยายพสสตรในสางยุตนิกายเรื่องปฏิจจสมบบบาทโดยอาจารย์สุเทพโทธิสัตธาท่านสาธุชนที่เคารพผมได้อธิบายพัสูตรที่ชื่อว่ายานวัตถุสูตรมาค้างอยู่ในประเด็นที่ สองนะครับหัวข้อที่หนึ่งย่อยว่าความรู้ <c oughs> ว่าชาติเป็นปัจจัยชาาและมรณะจึงมีนี่อธิบายอยู่ตรงนี้แล้วค้างอยูอ่การกำหนด <c oughs> รู้ที่ใช้คาว่าความรู้เนี่ยท่านพูดหมายถึงความรู้ตั้งแต่ในส่วนของขั้นเบื้องต้นคือในขั้นของวิปัสสนากำหนดรู้ชาาและมรณะ คือความแก่และความตายความแก่และความตายซึ่งความแก่และความตายนั้นในชั้นหยาบที่สุดก็หมายถึงความแก่ในทางเนื้อหนังที่ปรากฏแล้วก็ความตายในทางเนื้อหนังคือตายเข้าลงอันนี้อันหนึ่งและในการกำหนดลึกลงไปนั้นก็จะกำหนดลงไปหาความแก่และความตายในขั้นประมัต ความแก่ในขั้นปรมาจาร์ก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงของรูปและนามที่มีความเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลไปก่อนที่จะถึงจุดดับคือมรณะเรียกว่าชรลาและมรณะจนอไอ้ตรงนี้นะ่ะมีทั้งชรลามรณะในลักษณะสืบอต่อยับยาบนะสื่อต่อยับยาบว่ า, าเวลาที่เราหนาวเราร้อนเรากโกรธ เราชอบใจเราไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆสลายตัวเส่อมโทมแล้วก็ดับไปมรณภาไปหรือในขณะที่เรานั่งในบรลลังหนึ่งในขณะที่นั่งอยู่ความนั่งตั้งแต่เริ่มคู่บอลลังนั่งจนกระทั่งความนั่งนั้นค่อยๆมีสภาพเปลี่ยนแปลง <c oughs> คืออ่า ก่อนที่จะถึงจุดแตกสลายของท่านั่งเรียกว่าเป็นความฉลาในขั้นของสัน ต, ติจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายคือความแตกดับที่เราไม่อาจจะนั่งต่อไปได้จะต้องลุกจะต้องลี่ยนิยามบทนั้นนี่ก็เป็นความ <c oughs> ฉลาและความมรณะในลักษณะของการติดต่อแต่ว่าในส่วนที่เป็นอารมณ์ของวิปทานาแท้จริงนั้นผู้ปฏิบัติกาหนดไปเห็น ขณะชรลากับขณะมรณะที่เดียว่าเห็นความเกิดดับของรูปนามความเกิดของรูปและของนามที่เห็นปรากฏนั่นเป็นความเกิดที่เกิดเป็นขณะขณะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตนั่นคือความเกิดและเพราะความเกิดเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วมรณะชร า, าความเปลี่ยนความเคลื่อนไปสู่ความดับก็ปรากฏและในสื่อก็ดับไป คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนั่นแหละตั้งอยู่กะดับไปเนื้ถือเป็นความฉลาและความเกิดขึ้นนั้นคือชาติเพราะฉะนั้นในจิตดวงหนึ่งในรูปขณะหนึ่งอุปาทาขนาถือเป็นชาติเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่อาศัยของความปรากฏมีแห่งความแก่และความตาย ความแก่และความตายจะไม่มีมาโดยเอกเทศลอยๆจากความเกิดความเกิดในรูปในนามขณะต่อไปเมื่อเกิดขึ้นแล้วความชราและความตายก็เกิดซ้ำๆๆอย่างนี้อันนี้เป็นความแก่และความตายขั้นละเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากน่ากระดุ้งสเสือนมากเนื่องจากว่า ความแก่และความตายในชั้นหยาบเนี่ยที่เรามองไม่ไม่ที่ที่เราเห็นได้โดยทั่วไปเนี่ยนะอยังเป็นที่ตั้งของความประมาทได้เพราะว่าอาความแก่และความตายในชีวิตหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับว่าไอ้ความแก่ที่เราได้เนยัตภาพหนึ่งครั้งหนึ่งชาติหนึ่งทําให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจสะดุ้งสะเทือนครั้งเดียวขนเดียว และมันอาจจะทำให้เราเรียกว่าเสียใจนานๆครั้งแต่พูดถึงว่านานๆครั้งคือแก่ก็นานแล้วก็มรณะก็นานจนนานจนถึงว่าทำให้ผู้แก่และผู้ชราเนี่ยลืมเรียกว่าลืมลืมแก่ลืมนึกถึง แต่พอบุคคลเข้ามาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วไอ้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นเป็นของถี่ถึงแม้ว่าผู้เห็นจะไม่ได้เห็นตลอดเวลาถึงจะเห็นชั่วการใดกาหนึ่งเห็นแบบเป็นหย่อมๆเป็นโอกาสวันหนึ่งอาจจะเห็นสัก3ามครั้งนะฮะแต่ตัวเองจะมีความรู้สึกที่อธิบายกับตัวเองได้ว่าความแก่และความตายเนี่ย ในวันหนึ่งมันแก่และตายแก่และตายอด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นอนิสฐานลมเป็นสิ่งที่น่ากลัวคือเทียบเดีย ว, ว่ามันเหมือนกั น, น่าเสียใจเราจะต้องร้องไห้กับสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะพึงร้องไ ห, ห้ให้กับความแก่และความตายในทางกายภาพยาอย่างไรเนี่ย ในทางขณะจิตเนี่ยเราควรจะร้องไห้หรือพึงรอง้องไห้มากกว่ามันน่ากลัวกว่าเพราะนั้นไอ้ความรู้สึกสะดุ้งกลัวความเห็นไม่เป็นสาระด้วยอำนาจของความแก่และความตายนั้นมันเหมือนจะบ่อนบ่อนทำลายเข้าไปถึงโครงสร้างชั้นไหนหน่วยรูปทุกหน่วยตั้งแต่หัวจเทตา แล้วก็หน่วยจิตคือขณะจิตทุกขณะจิตมันก็คือเราจะต้องร้องไห้ยอยู่ตลอดเวล า, าถ้าจะพูดถึงว่าจะพึงเสียใจเศร้าโศกโรมนั้แก่ความแก่และความตายอันนี้เป็นความรู้สึกในทางลึกก็จึงทำให้บุคคลนั้นเกลียดกลัวความแก่และความตายตรงนี้ถ้าพูดเพื่อให้คนที่เข้าไม่ถึง ความแก่และความตายโดยศาสนาให้เข้าใจเนี่ยก็คือเราพูดถึงความตายอย่างธรรมดาว่าเรามีความเสียใจในความพัดคลัง่งจากสิ่งที่รักจากโดยที่เราเป็นผู้จะต้องตายโดยที่คนรักของเราเป็นผู้ตายจากเราไปก่อนแล้วหรือเราสะดุ้งกลัวความแก่ความชราซึ่งไอ้ตรงนี้นะบางคนก็รู้สึกชัดเจนแะบางคนก็อาจจะไม่เคยรู้สึกนะ มันอาจจะเป็นไปตามวัยด้วยแต่หลายคนก็มีความรู้สึกว่าความแก่ความตายเนี่ยมันเป็นของที่เราจะต้องเจอและเป็นของที่น่าสะพึงกลัวน่าสะดุงกลัวเรามีความรู้สึกอย่างนี้ที่เข้าใจได้อยู่เพียงใดเราเมื่อไปเห็นขณะรูปขนาดนามมันแตกสลายไปเราอาจจะไม่ได้นึกว่าแก่ว่าตายอะไรก็ได้นะแต่ไปเห็นความแตกดับของรูปของนามในทางชั้นไหมเนี่ย เราจะสะดุ้งกลัวและกลัวความแก่และความตายจนกระทั่งเราลืมลืมกลัวความแก่และความตายชั้นหยาบเห็นเป็นเรื่องเล็กเห็นเป็นเรื่องหลงเห็นเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในใสายตาอีกต่อไปแต่ว่าความกลัวอย่างนี้ต้องไม่ลืมว่ากลัวได้ยานกลัวได้ยานเพราะนั้นไอ้การเห็นความแก่และความตายเนี่ยถ้าเอาวิปัสสนาญาณเข้ามาจาับนะฮะ ก็เป็นการเห็นได้ตั้งแต่ยานหนึ่งไปจนกระทั่งถึงมรรคยานหรือโลกตละยานคือภาวะของความแก่และความตายโดยตัวของอารมณ์เนี่ยก็มีความตื้นลึกหนาบางต่างกันยานที่เข้าไปอย่างเห็นก็มีความต่ำความสูง มีขีดขั้นของยานต่างกันซึ่งก็สรุปได้ตรงนี้ก่อนว่ายานที่ไปเห็นความแก่ความตายเนี่ยมีขีดขั้นต่างกันระดับยานต่างกันอารมณ์ที่เห็นก็มีระดับต่างกันแต่ว่าไอระดับของความแก่และความตายที่เห็นเนี่ยความแก่และความตายที่เห็น ถ้าว่าถึงโดยประเภทโดยระดับเมื่อเทียบกับขีดขั้นของญาณนั้นอารมณ์คือความแก่และความตายนั้นมีขีดขั้นน้อยกว่าผมก็ไม่รู้ว่าพูดแล้วท่านจะตามได้หรือเปล่านะตรงนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องลึกยึงเข้าใจไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะพูดแล้วสื่อความหมายพ้่นไปนิดหนึ่งคือผมตั้งหลักใหม่ว่าวิปัสสนาญาณมีสิบหกใช่ไหมฮะ ความแก่และความตายเนี่ยมีสองชั้นมีสองชั้นเป็นนะว่าเป็นภาครูปบางนามนะในชั้นหยาบนั้นไปลูกอยู่กับรูปมากกว่านามแต่ในชั้นละเอียดเนี่ยรูปกับนามเสมอกันความแก่ของรูปของนามเนี่ยเสมอกันเสมอกันเมนเวลาเห็นแล้วก็เห็นได้พอๆกันอ่มันอาจจะกลับตาลปัด กันตรงที่ว่าในชั้นละเอียดเนี่ยความแก่และความตายของจิตนั้นที่กว่ารูปเพราะว่ารูปเนี่ยมันอาาัตราตัวเกิดดับหนึ่งต่อสิเจ็ดแล้วก็มันเป็นข้อที่ให้จุดอัศจรรย์กลับตลปัดกันในทางกายภาพเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าโดยทรงตรัดไว้ในบางสูตรใ น, ในลำดับต่อไปอใน ทุกที่เรากำลังจะพูดถึงเนี้ยว่า <c oughs> ถ้าเวลาเราเห็นคนแก่เนี่ยคนแก่คนชราเนี่ยเราจะถือเอาร่างกายเนี่ยเป็นเป็นสันฐานประมาณนะ <c oughs> ถือเอาความคิดหรือดวงจิตเนี่ยเป็นเรื่องเล็กํำนองว่าแก่แต่ตัวใจเนี่ยไม่ค่อยแก่เท่าไหร่คือว่ากายแก่กว่าใจเอาเงี้แล้วกันนะกายน่แก่กว่าใจและถึงคราวตายเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ากายตาย แก่ใ จ, ใจอยู่ใช่ไหมโดยโด ย, โดยทั่วไปทักทีกันอย่างนั้นแต่เวลาคนมาเห็นในทางพัฒนาเนี่ยมันกลับกันในมุมนี้ตรงที่ว่าร่างกายเนี่ยแก่ช้าแต่จิตนั้นเกิดดับไวตายตา ย, ตายมากกว่ามากกว่าร่างกายอยีกแม้ตายแล้วร่างกายจิตใจก็เกิดดับเกิดดับ อ, อันนี้ก็เป็นจุดตรงกันข้ามกันเพราะนั้นจุดที่น่าตื่นเต้นกว่าก็มาอยู่ที่ แก่นามกับตายนามนะอ่าทีนี้ผมกําลังยานมาเทียบยานให้ดูอเวลายานเห็นความแก่และความตายเนี่ยเมว่อไปเห็นความเกิดดับของลูกของนามแล้วด้วยยานที่สี่ไอความรู้สึกมันก็มาหมายอยู่ตรงนี้และไอเรื่องความแก่ทางกายภาพหยาบๆเนี่มันเรียกว่าไม่อยู่ในใจ ต, ตาของยุทธนานแล้วอไอ ความอย่างลงลึกของการเห็นความแก่และความตายในชั้นวิปัสนาญาณสูงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขยายตัวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆที่พูดในเรื่องหลักวิปัสนาญาณอื่นๆแต่ว่าก็ควรจะพูดตัวนี้ด้วยมันขยายตัวยังไงคือขยายตัวไปว่าไอ้ความแก่และความตายเนี่ยชาติของชาติในหน่วยรูปหน่วยนามใด ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความแก่และความตายในหน่วยนามนั้นเหมือนกับว่าชาติของเราในชาตินี้เป็นที่กาอที่อาศัยของความแก่และความตายในอัตภาพนี้ขนาดลูกขนาดนามก็เหมือนกันตอนีอ่มันขยายตัวเลยออกไปว่าในทางกายภาพเนี่ยว่าเราทางกายภาพในผมหมายความว่า ในยานต้นจะนึกถึงตรงนี้เป็นเป็นเรื่องใหญ่ก่อนคือในชาตินี้หรือชาติไหนเกิดต่อไปอีกก็แก่อีกก็ตายอีกที่เคยแล้วเราก็เคยแก่เคยตายมาแล้วเพราะเราได้เคยเกิดมาแล้วมันเป็นเรื่องวนเวียนซ้ำซากไม่ใช่น่าสนุกนะในอารมณ์วิปัสสนา มันน่าเบื่อน่าเบื่อที่ต้องเกิดมาเพื่อตายอีกน่าเบื่อที่ต้องเกิดมาเพื่อตายอีกต้องเกิดมาเพื่อตายอีกจำพังว่าถ้าเราเกิดในภพเดียวเกิดแล้วก็ตายในภพเดียวเกิดแล้วก็ตายในภพเดียวมันก็ยังน่าเบื่ออยู่แล้วในอารมณ์ของคนทำวิปัสสนาแต่ว่าไอ้นี่มันไม่เป็นอย่างน้น มันไม่เที่ยงจนกระทั่งว่ามันไม่ใช่ว่าเกิดแล้วไม่เที่ยงนำไปสู่ความแก่และความตายแต่ในความเกิดที่มันไม่เที่ยงอยู่โดยขณะโดยตาภาพแล้วเนี่ยมันยังไม่เที่ยงในลักษณะของการยักย้ายสถานะของการเกิดคือบางทีเราก็ไปเกิดในอบยภูมิได้อาตาภาพเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องตายในตรภาพนั้น เกิดในสุขติภูมิแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักษาความไม่ตายเอาไว้ได้มันก็ต้องตายมันก็วนเวียนเ อ, อตรงนี้นะ่ะภาษาพราพูดแล้วพูดเพื่อให้เบือ่อพูดแล้วชวนเบือ่อคือยอมรับว่าการไปไหว้ตายเกิดจริงแต่ไม่ใช่ยอมรับเพื่อให้หลิงโลดพูดเพื่อให้หลิงโลดในขั้นนิพพานนะไม่ใช่พูดเพื่อให้หลิงโลดแล้วจะได้มีช่องทางทําให้เราอยู่ดีมีสุขมากขึ้นแล้วก็อยู่ดีมีสุขเพื่อ ความดีและความสุขอย่างธรรมดานั้นแต่ว่าทางธรรมะนั้นพูดเพื่อให้เกิดความเบือ่อเบื่อในขั้นเบื้องต้นในการยอมรับหลักนี้และในขั้นต่อไปคือขั้นเบื่ออย่างเข้าไปเห็นจริงๆแต่ตัวที่มันทำให้เกิดการขยายความเบื่อคือความเกือดับเนี่ยนะมันขยายความเบือ่อการเกิดในทางกายภาพได้อย่างดีวิเศษที่สุด เพราะว่าชีวิตเรามันมันหละหลวมหรือมันหลมุมหลวมตั้งแต่เรายังไม่ตายตั้งแต่เรายังหนุ่มยังสาวแล้วเมื่อแก่มันก็หละหลวมเท่ากันไม่ว่าเราจะอยู่ในไวัยไหนความเกิดดับความแก่สรุปแล้วว่าเราเกิดในภพไหนชาติไหนเนี่ยแก่ตายไม่ต่างกันนะ แก่ตายไม่ต่างในสาราข้างในไอ้ของข้างนอกเปลือกนอกนี้มันไม่มีความหมายอะไรหรอกอันนี้ก็นึกนึกดยดีนะว่าสมมติว่าเราไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเราก็เห็นความเกิดดับยิบยๆแล้วก็เทียบได้ว่ามันเหมือนกับตอนที่เราเกิดเป็นมนุษย์เพ่งมีความเป็นอยู่อย่างมนุษย์เกิดดับยิบยๆ แล้วก็อนุมานต่อไปหรือระลึกต่อไปได้ว่าเมื่อเราเกิดเป็นเทวดามีสภาพความไปอยู่อย่างนะมันก็ยิยิยิ ย, ย, ยิจึงเทียบเหมือนกับว่าคนเป็นโรคคนตาสีศาสาเป็นโรคมุโร์เป็นโรคมะเร็งกันนโรคอุจัาระกันกนะคนอยู่คฤหาสน์เป็นเจ้าคนในคน เป็นดารามีชื่อเสียงเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของธนาคารเป็นโรคโรคเดียวกันถามว่าต่างกันไหมต่างกันหรือไม่ต่างแล้วก็ระหว่างคนสองคนถ้าเราเกิดจะมาเป็นโลกนี้เนี่ยเราอยากจะไปเป็นตอนที่เราเป็นคนตกอับอนาถาหรืออยากจะมาเป็นตอนที่เราเป็นนายธนาคารสมมตินะ ถ้าเลือกได้แล้วถ้าถามว่าทำไมนี่ผมไม่ต้องถามท่านให้ท่านตอบผมเดาผมไม่ผิดเอาว่าเราอยากจะมาเป็นตอนที่เราเป็นคนยากจนอนาถาเราชื่อเสือชีวิตมันไม่เอยมีกาแต่ไอตอนที่เราไปเป็นจริงๆเราก็รู้สึกมีกาอยู่นั่นเองนะมันนึกว่าไอตอนที่เราเป็นธน า, นาคารนี่แหมถ้ามันเป็นขึ้นมาแล้วนี่เสียดายอะไรเสียดายความร่ำรวยที่ไม่ได้ใช้สอยให้เต็มอิ่มเสียดายเกียรติเสียดาย ว่าความยอมรับของสังคมที่มาเป็นโรคอะไรต่างๆร้ายแรงแล้วคนก็จะตั้งก้อลังเกียจจนเราไม่อยากจะเข้าหน้าใครก็รู้ว่าเราเป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยเรียกว่ามันก็มีไอ้ส่วนบวกลบแตกต่างกันแต่ว่าในเนื้อแท้ของความเป็นโรคเนี่ยชาลาและมรณะจึงเป็นโรคท่านถึงเรียกว่าเป็นโรคโรคชาลาและเป็นโรคตายที่มันอยู่ติดตัวเรามันบ่อนทำลายเราจะไปอยู่ที่ไหนเป็นโรคนี้ทั้งนะจึงทําให้ คนที่เห็นอย่างเนี้ยนึกแล้วก็มันน่ากลัวหมดเราไปเป็นคนยากจนนาถาหมูหมากาไก่แค่เป็นหมูหมากาไก่แล้วไม่เป็นโลกอะไรมันก็น่าที่จะไม่ต้องไปเป็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนี่ยังไปเป็นหมาและยังเป็นโลกอีกไปเป็นคนจนขอเข้ากินไปวันวันแล้วยังเป็นโลกอีก มันก็ยิ่งน่าเบื่อไอจะมาเป็นคนร่ำคนรวยเป็นแล้วเป็นโลกไอความร่ำความรวยนั้นก็ไม่มีประโยชน์ในทางอุบปุกบริปรุกอนี้เป็นเป็นความร <c oughs> ู้สึกที่พยายามถ่ายทอดออกมาเป็นรูปออกมาอย่าเพื่อให้เราอย่างอย่างเราเข้าใจได้เนี่ยนะคืออย่างนี้ว่าชีวิตมันเบือ่อเบื่อหน่ายอย่างนี้อันนี้อันหนึ่งก็เรียกว่ามองเป็นอย่างกายภาพเทียมทีนี้อีกอันหนึ่งก็เรียกว่ามองแบบเป็นสภาวะ ข้ามชาติมันก็เลยไม่มีชาติมันไม่มีชาติมันมีแต่ขณะาจิตที่ไหลไหลเหมือนน้าไหลไปตามคลองบางทีก็ไหลไปเข้าไอ้คลองที่มีโรงงานถ่ายของตกก็ปลกมาสภาพน้ําไปอย่างเข้าคลองนี้ไปอย่างเข้าคลองนู้นไปอย่างชีวิตเราเนี่ยเหมือนกับ น, น้ําไหลไปตามคลองเนื้อแท้ของเราเมื่อที่เป็นน้าเนี่ยเมื่อมาเข้าคลองนี้ กับก่อนมาเข้าครองนี้ไม่ต่างกันในทางเนื้อหาเนื้อแทงความเป็นน้านะมันต่างกันในทางกายภาพและส่วนที่เป็นปัจจัยเจือปนเข้ามาในความเป็นน้าของเราตอนนั้นเองตอนนั้นก็เท่ากันตรงนี้มองชีวิตไหนๆก็เท่ากันและแอันนี้ครับที่ทำให้คนที่เขาเห็นอย่างนี้และเวลาเ็าแผ่เมตตา เวลาเขาปลาลบแผ่กรุณาเห็นสัตว์แล้วก็ปลาลบในใจว่าเพื่อนผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันซึ้งกว่าที่เราพูดร่วมเกิดแก่เจ็บตายเรามีโรคประจําตัวแล้วก็กําลังพาโรคไปสู่พบน้อยพบใหญ่เหมือนกันทั้งนั้น ต่างกันแต่ว่าคนเป็นโรคตั้งหลายทุกคนนี้บางคนก็รู้ว่าตัวเองเป็นโรคบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคไม่เชื่อไม่ยอมรับนี่ต่างกันตรงนี้นั้นไอชราและมลณะเนี่ยก็เมื่อมองเห็นว่าเป็นขนาดขนาดเนี่ยเมื่อไห ร, มมมไรมม่มันก็มีชาติเมนะื่อไหร่มันก็มีชจลามมละหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวถึงพวกเราในภาษาบามาัทว่า ผู้มีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาผู้มีความเกิดความแก่ความตายเป็นธรรมดาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อโดยภาษาสภาวะไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายไอ้สภาพข้างนอกเนี่ยมันเป็นผลปรากฏของสภาพข้างในเท่านั้นเองทีนี้พูดถึงว่า ที่พี่ผมพูดค้างไว้เมื่อสแล้วว่าเราเนี่ยพูดถึงความแก่และความตายเนี่ยเราลังเกียจในพูดถึงในชั้นแก่ภาพเราไม่ลังเกียจความเกิดใช่ไหมคือที่สุภ า, าสิทไทยเราพูดกันแล้วว่าเปลียดตัวเกียงไข่เปลียดปลาไหลกินน้งแขง็งเปลียดตาลักลูกสาวอะไรอย่างเงี้นะอ่า ที่เป็นอย่างนี้ถามว่ามันถูกหรือมันผิดเราเนี่ยควรจะรักตัวด้วยก็เมื่อรักตัวก็ต้องรักไข่ด้วยเมื่อเกลียดตัวก็ต้องเกลียไข่ด้วยหรือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรักบางส่วนเกลียบางส่วนเอพูดถึงว่าในแง่ของไอ้ข้อที่มันควรจะเป็น ในเรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะออย่างสมมุติว่าดอกบัวเนี่ยเกิดแต่ตมเราลังเกียดดอกบัวแล้วลังเกียดตมลังเกียดดอกบัวหรือลังเกียดตมลังเกียดตรมรักดอกบัวน ะ, ะทีนี้มาพูดถึงในแง่ของสภาวะเผื่อถ้าเป็นเรื่องไอ้อย่างนั้นนะบางทีเราก็แบ่งได้จริงๆนะมันต้องแบ่งไว้ตรงนี้นะเราควรจะตั้งข้อลังเกียด ตรงนี้เราไม่ควรตั้งข้อรังเกยียจโดยเฉพาะเป็นคนๆเนี่ยคนหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งแต่เกลียดพระาธรรมะไม่ใช่เกลียดด้วยโทสะไอ้เกลียดในทางโลกเนี่ยมันเกลียดด้วยโทสะอ่าในทางธรรมะเนี่ยมันก็มีสองอย่างนี้ว่าไอ้ตัวเหตุกับตัวผลเนี่ยบางอย่างเนี่ยครับผลบางอย่างเนี่ยเราควรนับถือควร น, นิยมควรเลื่อมใสแล้วก็เหตุนั้นเราควรจะรังเกยียจ ก็มีบางอย่างเนี่ยผลควรลังเกียจเหตุไม่ควรลังเกียจบางอย่างก็ควรรังเกียจทั้งคู่บางอย่างก็อ่าไม่ควรรังเกียจทั้งคู่ในทางสภาวะนะฮ ะ, อ, ะอากูศนเนี่ยบางทีมันก็เกิดจากกุศนนะเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยก็ทําทความชั่วเนี่ยเวลาเรากล่าวตาหนิเราต้องรักษาวัตถุประสงค์เขาไว้ว่าความหวังดีของคุณน่ะดีแล้วความตั้งใจของคุณอย่างนี้ดีแล้ว แต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยทำเพื่อทำความตั้งใจของคุณให้สำเร็จเนี่ยไม่ดีนะฮะเราก็ตำหนิผลแต่รักษาเหตุว่าคุณตั้งใจอย่างนี้ดีแล้วแต่ว่าจะต้องพยายามหาวิธีการที่มันดีด้วยนะอย่าไปไปใช้วิธีการที่ไม่ดีและบางคนเนี่ยไอเหตุไม่ดีแต่ผลดี พระพุทธเจ้าเวลาท่านจะสอนเอาผลดีเนี่ยบางทีท่านก็ต้องเหมือนกล่อมแกล้มเหมือนไม่พูดถึงไอ้เหตุอย่าไปแต่ต้องเหยียดเขาให้เขาหลอกให้เขาให้อะความไม่ดีของเขาที่หวังไม่ดีเนี่ยเพื่อเป็นปัจจัยแก่ความดีอ่พูดอย่างนี้ท่านนึกออกไหมาบางโอบางคนเนี่ยมีเจตนาไม่ดีแต่ว่าขวนขวายในการทําความดีเพื่อเจตนาไม่ดีนนั้นเช่นว่า คนบางคนเขาออกมาใส่บาทเพราะว่าเขาอยากจะได้นัน่นอยากจะได้นี่ไอ้ทางโลกโลกนะใส่บาทดีไหมดีแต่อที่เขาอยากอยากไอก้นั่นอยากไอ้นี่สิบางทีก็เป็นเรื่องอกุศลผิดมากบางน้อยบ้างหรือเป็นอกุศลธรรมดาบ้างก็เป็นอกุศลบางทีก็ก็ต้อง ต้องยอมยอมเพื่อให้ความดีนั้นปรากฏเพราะว่าคนบางคนที่เขาจะทำความดีบางอย่างในบางเวลานั้นเขาจะทำความดีนั้นได้ก็ด้วยความปรารถนาอันไม่ดีนะฮะบางทีถึงต้องมีการจ้างมีการเอารางวัลมาล่อเอาไอ้นูน่นไอ้นี่มาล่อเพื่อให้เขาเลิกทำความชั่วซึ่งก็เป็นการทำความดีอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาทำความดีบางอย่าง ด้วยอผลลั่นในทางอากุศลเนี่ยก็แล้วแต่อันนี้ไม่ไม่เป็นเรื่องผิดเดียวที่เดียวเราเราก็ว่าไปตามคนทีนี้ไอ้บางอย่างเนี่ยมันไม่ดีทั้งคู่แต่ว่าเราเห็นเป็นดีอย่างเช่นชะลามลณะเนี่ยเราเกลียดแต่เราไม่เกลียดความเกิดไม่เกลียดชาติของเราทั้งในชาตินี้เราก็ไม่เกลียด ไอ้เพราะเราไม่เกียรชาติเนี่ยเราถึงไม่อยากตายไงอยากจะมีชีวิตยอยู่แล้วก็เมื่อเกิดถ้าจะตายแล้วก็อยากจะเกิดใหม่อยากจะได้ชาติใหม่อยากจะมีชาติใหม่ด้วยอำนาจของภาวะตัณหาของเราความผูกพันในชาติไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นสาธารณแก่สัตว์ทั้งปวงเกลียดตัวกินไข่เกลีบปลายหลกินน้าแกง เกลียดผลแต่รักเหตุนะฮะซึ่งไอเหตุอันนี้มันเป็นเหตุแห่งผลชั่วร้ายเหมือนกับคนที่เกลียดโลกร้ายแรงบางโลกที่กำลังคุกคามโลกอยู่ในปัจจุบันนะฮโลกไปใครเก็ดบางอย่างแต่ก็จะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยไม่เกลียดเหตุไม่เกลียดเหตุคือยังประพฤติส้ำสอน ซึ่งเป็นสาเหตุที่จะทำให้เป็นโรคนี้เมื่อไม่เกลียดเหตุเนี่ยยิ่งไม่เกลียดเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งโอกาสที่จะทำให้ตัวเองเป็นโรคมากขึ้นเท่านั้นทีนี้ไอ้บางคนเนี่ยเขาเห็นผลอย่างนี้ไปเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนมันมีโรคร้ายแรงอย่างที่รู้กันแล้วก็เลยรลังเกยียดพฤติกรรมของตัวเองที่ได้กระทำมาช้านานก็เลยเลิก ประพฤติกรรมอันเป็นเหตุที่จดำเป็นโลกนําไปได้อย่างนี้ก็มีแปลว่าคนนี้ก็ทําถูกใช่ไหมเขาทําถูกเขาเกลียดผลแล้วก็รู้ว่าผลนี้มาจากเหตุอะไรก็ละเหตุนั้นเกลียดเหตุนั้นเสียอตรงนี้น่ะพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้มากเพราะว่าพฤติกรรมเราหลายอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไอ้เรื่องในปฏิจจานี้แม้แต่เรื่องอื่นๆ พฤติกรรมชั้นหยาบก็มีมากมายของคนในโลกนี้รักอย่างเกลียดอย่างเมื่อเรารักอย่างเกลียดอย่างเราก็ไม่พ้นไอ้สิ่งที่เราเกลียดไปได้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรารักนั้นเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่เราเกลียดอ่าอย่างเช่นคนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านามรูปเป็นทุกข์ คนรักรูปรักนามหมายบางทีก็ว่ารักตาเท่ากับว่ารักทุกคนที่ไม่รักตาเท่านั้นจึงคนทุกข์และคนที่ลองรักตาแล้วจึงชื่อว่ารักทุกข์นั่นเองนี่ท่านพูดไว้ในสลายยุตนาสังยุตคือหมายก็ว่าเราเนี่ยไอภาวะขัดแย้งของเราเนี่ยมันเป็นตัว มันเป็นตัวพาหานําทุกมาเข้าตัวเราในชีวิตของเรามากมายเลยนะเพราะว่าไอสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยบางทีมันมันก็คือเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์กันเองแต่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอสิ่งที่เราลักเนี่ยมันไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่มองในแง่ร้ายอ่ะเราก็เลยไปรักไปชอบไปแสวงหาและในที่สุดไอความทุกข์เนี่ยมันก็ตามมามาทําลายเราอข้อนี้น่ะ เหมือนกับเรารักชาติลักการเกิดจึงเท่ากับว่าเรารักชลาและมรณะโดยปริยายเพราะมันของมาด้วยกันนี่โดยธรรมดาเขาเหตุผล ว, ว่าเมื่อรักชาติมันก็ต้องรักชลามรณะด้วยแต่ความไ อ, ไอเราเนี่ยมันกัดแยงเรารักชลามรณะ อาจารย์โเราเกลียชลาโมานาแต่เรารักชาติเราจะไม่เอาชราโมลณะซึ่งเป็นผลได้ของชาติข้อนี้เป็นไปไม่ได้และไอเรื่องเกลียดชลามมณะและรักชาติเนี่ยพูดยังไงยังไงเราก็ปลดความรักในชาติไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีในจริงไหมผมอย่าลองอ้างเหตุผลง่ายๆประสบการณง่ายของพวกเราเเนี่ยว่า พระพุทธเจ้าสอนเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนพระก็เทศในการลองของคาสอนนี้ว่าความเกิดเป็นทุกข์เราเห็นด้วยตั้งแต่ได้ยินทีแรกเลยไหมเราก็เห็นด้วยตั้งแต่ได้ยินครั้งที่สองเลยหรือไม่และอธิบายมาจนบัดนี้เราเราเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นหรื อ, อยังแล้วจะอธิบายอย่างไรให้เราเห็นด้วยรอยเปอร์เซ็นต คำอธิบายนั้นไม่ทำให้ใครเห็นได้ด้วยร้อยเปรเซนสิ่งที่จะทำให้บุคคลเริ่มเห็นชัดแล้วก็เห็นด้วยร้อยเปเซนเนี่ยคือคนที่กำหนดเห็นชาลาและมรณะและรังเกียจชาลาและมรณะนั้นอย่างแท้จริงให้สังเกตว่าอย่างรังเกียจอย่างแท้จริง เราจะลังเกียดชาติจริ ง, รงๆและอย่างแท้จริงอ่ผมถามว่าเราเอาพูดถึงอย่างชั้นหยาบๆเนี่ยนะเราลังเกียดความแก่อย่างแท้จริงหรือไม่หงอกเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความแก่ผมไม่กลัวใครก็จะโกรธแล้วคนระับเพราะผมก็หงอกแล้วถือพวกเยวกันแต่เวลาที่เราเราเรารักผมหงอกแล้ว ถ้าใครยังมาถอนงอกเราเนี่ยเราก็ไม่ชอบใช่ไหมเราอยู่ในศักดิ์ศรีในอะไรต่ไรของความมีอายุของเรานะฮะเรารู้สึกอย่างนั้นก็คือว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นยังไงยังไงเราก็รักและประหลาดมากว่า <c oughs> ไอ้ที่เราบอกว่าเราลังเกยียจความตายเนี่ยลังเกยียจจริงหรือเปล่าอันนี้แง่จตภาวะนะฮะ ในขณะที่เรากาลังจะขาดใจตายลมหายใจสุดท้ายเราเกลียดมันไหมลมหายใจสุดท้ายเป็นที่ตั้งของตัณหาอปาทานไหมมรณาสันนักวิถีตัณหาติดยึดไหมจุติจิตที่ปรากฏเราเกลียดมันจริงๆหรือเปล่าเราคิดว่านั่นเป็นจิตเราหรือไม่ จริงๆแล้เรายึดถือเป็นที่ตั้งของความยึดถือทั้งนั้นเลยเพราะว่าถึงยังไงมันก็เป็นลมหายใจซึ่งเป็นเราตัวเราเป็นผู้กำลังจะตายเพราะนั้นไอ้ที่เราลังเกียจนี้คือลังเกียจไอ้ภาวะที่ตัวเรามันจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองไอ้ตรงนี้แหละจึงกล่าวได้ว่าเป็นความขัดแย้งของปุถุชนว่าจะเอายังไงกันแน่ ทั้งรักทั้งเกลียดอยู่ในสิ่งเดียวกันในสิ่งเดียวกันเนี่ยมันเหมือนเราทั้งรักทั้งเกลียดมันเหมือนกับเสี่บบยงง่ายๆเหมือนกับลูกเราที่เราโกรธบ้างเรารักบางไอโกรธก็โกรธไม่เกลียดไม่จริงสา ม, ามีภรรยาที่ทําอะไรไม่ถูกใจเราก็เกลียดไม่จริงมันยังไงก็ไม่รู้มันกะกัดแยงแยงนะเราเนี่ยมีสภาวะก ะ, ขะดัดแยงแยงกับตัวเราเอง แต่ว่าโดยสรุปแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของความยึดมั่นในรูปในนามนะฮะและเราต้องการให้รูปให้น้ำเรามันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้เท่านั้นเองอันนี้พูดถึงว่าในในความแก่และความชราเองแต่ในไอเรื่องตัวเกิดเนี่ยเราชอบอะไรที่เป็นเรื่องเกิดเกิดเราก็ชอบแล้วมันก็มีความขัดแย้งเนี่ยบางทีมันก็ว่าชอบหรือไม่ชอบไม่รู้ เราลองคิดดูนะนี่ผมกาลังจะคิดเห็นว่าแม้แต่ความเกิดเนี่ยไอที่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราเราชอบเกิดพอพูดในทัศนคติในมุมหลักมุมหนึ่งที่มันเป็นตัวฐานเหมือนกับเราชอบความแก่และความตายเนี่ยมันเป็นฐานอันเดียวกันผมถามว่าถ้าเราจะไปเกิดเป็นสุนนะัขชาติสุนนะัขไ่ชอบหมผมพูดปล้อนชาติสุนนะัข่ะชอบไหม ่านงูชอบไหมไม่ชอบจริงเหรอแล้วถ้าเกิดถ้าบาังเอิญไปเกิดเป็นสุนักจริงๆแล้วชอบไหมไปสมมติว่ า, วาไปเกิดแล้วเลื้ชาติด้วยต่อให้เราเลืล้อชาติด้ด้วยเกิดแล้วเลื้อยชาดอะมาผมเนี่ยนะครับพฮงหงชื่อสุดเทพนี่ยแหละครับผมไม่เกิดเป็นสุนักแล้วเพื่อจะพิสูจน์ว่าผมชอบไหมปรากฏว่าผมไม่ชอบนี่ยผมตามไม่ขาเอาเนื้อไปขาย ทำลูกจินมันไม่ล่ะครับเกิดเป็นิ้งกลางคกเป็นกุ้งกึ้งเกือเนี่ยมันรักไปหมดรักไปตามสภาวะไอ้จริงๆเนี่ยผมว่ามันขัดแย้งกันไงว่าความจริงไอ้ในในชาติที่เรายังไม่ไปเกิดมันก็รักอยู่แล้วแหละครับมันมีความลักเข้าไปสอดแทรกกับไอ้ความไม่รักตัวอวิชาตโนั้นเนี่ยมันเกิดกลัวจริงกันไปจริงกันมาอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทุกอย่างไปหมด ไม่ว่าอารมณ์ดีเลิศอารมณ์ไม่ดีทั้งนั้นเลยนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องอข้อเท็จจริงทางธรรมะที่อาัศจรรย์อันหนึ่งที่ว่าเราเนี่ยรักที่จะไปเป็นสุนัขตั้งแต่ยังไม่ตายคืออย่างไรเราชอบเลี้ยงสุนัขชอบสุนัขนั่นเป็นความรักสุนัขใช่ไหมเอาบอกก็นั่นรักที่เฉยไม่รักจะเป็นนี่นี่แล้วมันเป็นการแทรกตัวเข้าไปในความหรือว่าเรารักที่จะทํากรรม ทำบาปอย่างชนิดที่จะทาให้ไปเป็นตุนักไปเป็นเป็ดเป็นอสุรกายนั่นแหละท่านกระบอกนั่นเป็นรูปหนึ่งเป็นโฉมหน้าหนึ่งของความรักความชอบแล้วเราก็เป็นไปตามอำนาจของความรักความชอบเมื่อตายแล้วตัณหากรรมมันก็พาบัดสู่ที่นั้นอันนี้เรียกว่าไอ้รักอย่างนั้นมันรักอย่างเป็นลักษณะอย่างเป็นของอยู่ ในรูปแบบอันหนึ่งอย่างเป็นของแต่ว่าถ้าเราไปเกิดเป็นเป็นอบายสัตย์นั้นแล้วเนี่ยเราจะลักอย่างเป็นตัวเราลืมข้อตกลงลือลืมความตั้งใจเดิมทุกอย่างหมดลืมเลยขนาเป็นนะลืมตัวมองเห็นตัวเป็นผู้วิเศษเห็นชาตินั้นเป็นชาติวิเศษแล้วก็เห็นความแก่เห็นความตายในชาตินั้นว่าตัวไม่ปรารถนา ที่จะแก่ที่จะตายในส ภ, ภาพของสุนัขพอมันเราถึงขัดแย้งกันระหว่างความรักความชังเนี่ยทุกอย่างไปมันต่างกันแต่ว่าไอฐานะของความรักนั้นมันจะมีน้ําหนักมากแน่นหนา ก, กว่าการแกล้งแต่ว่ามันเลื่อนได้มันเปลี่ยนได้ <c oughs> อแม่แต่เพศรยินจินดามก็เหมือนกันนะเรารักเราชังก็อยู่ในที่เดียวกัน วิสัยผุ้ทุชนนะจึงว่ามันมีอาการเหมือนกับคนบ้าเดี๋ยวคนรลาะเดี๋ยวร้องไห้อย่างนี้นะจึงเป็นนั้นว่าผู้ที่เขาเกลียดชราและมลนะเท่าไหร่เห็นที่มาของชราและมลนะว่ามาจากนี้ชัดเจนเท่าไหร่แน่นอนเท่าไหร่ก็จะเกลียดสิ่งนั้นด้วยปัญญาเท่านั้นแต่เราเนี่ยพูดถึงอย่างเผลอๆเนี่ยว่าเราเกลียดชรามลนะในพูดในมุมที่เรารู้สึกว่าเราเกลียด แต่เรานี่ไม่ได้เคยคิดว่าไอ้ชรลามรณะเนี่มันมาจากชาติเราไม่ได้โทษชาติใช่ไหมใช่เราอาจจะไปโทษอย่างอื่นโทษธรรมชาติอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้ละไม่ได้คิดรู้เห็นเป็นที่แน่ชัดเราก็เลยไม่เกลียดชาติปรารถนาชาติผูกพันกับชาติไม่รู้จบและในทางศาสนาเขบอกว่าเราชอบอะไรเราจะได้สิ่งนั้นนะนี่คือหลักใหญ่ อปัญหาเป็นสมุดฐานแห่งทุกข์นะเรารักชาติเราก็ได้ชาติเมื่อชาติเป็นเหตุให้เกิดชราเมราณนะโสกกะปริเทเวะทุกขโทมนันต์ตามเนื่องมากับการได้ชาติเรารักชาติจึงได้ของที่ชาติเป็นผู้จักนํามาให้แต่ถ้าว่าเมื่อใดเราเกลียดชาติซึ่งจะต้องการต้องสร้างด้วยการกําหนดเห็น ชลาและมรณะอย่างชัดเจนแล้วก็รังเกียจให้จริงรังเกียจให้จริงไอเรารังเกียจอย่างที่ว่ามันเกลียดไม่จริงนะมันเกลียดไม่จริงเราเนี่ยเกลียดไม่จริงเกลีลดอะไรทั้งหลายที่เราว่าเราไม่ชอบเราก็เกลียดไม่จริงอีกครับแบบเดียวกันเราเกลียดมันไม่จริงเกลียดมันเหมือนเกลียดแบบยึดมั่นมันอยู่เหมือนกับคนที่ สามีเกลียดภรรยร า, ยาคนนั้นไม่จริงภรรยาเกลียดสามีคนนั้นไม่จริงเนี่ยมันมีพันธะอยู่มันก็เท่ากับว่าตัวเองจะต้องมีความทุกข์ความเดือดร้อนจากคนนั้นต่อไปแต่คนที่เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ย่อมเกลียดชาติด้วยปัญญาจริงๆเมื่อเกลียดชาติตันหาก็ถ่ายถอนจากชาติเมื่อถ่ายถอนจากชาติอสมุทรไทย ท, ที่มีตันหา เอ้าไปผูกพันอย่างนี้มันก็ลดกําลังสร้างชาติลดลดลงไปจนทั้งเราทำลายความผูกรักในชาติได้เด็ดขาดชาติของเราก็สิ้นสุดก็คือเป็นราชานสิ้นสุดเด็ดขาดแต่ว่าในขั้นวิปัสสนานี้เพียงแต่ว่าเราเราฝึกถอนฝึกถอนความผูกพันในชาติ ไปทีละส่วนทีละเล็กเลียนน้อยซึ่งเป็นเหตุเบื้องต้นก่อนเท่านั้นทีนี้ว่าเมื่อชาติไม่มีชรลามรณะจึงไม่มีอตรงนี้ไม่ใช่สักด์แต่ว่ารู้อย่างในอาการของปริยัติเหมือนอย่างที่เราเรียนไอเราเรียนเนเราบอกว่าเมื่อชาติเพราะชาติมีชรลาและมรณะจึงมีเพราะชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเรารู้แค่นี้ ชาติไม่มีตามที่เรารู้ได้เลยไหมครับไม่แต่ในความหมายทางปฏิบัติทางสูตรเนี่ยท่านหมายกาว่าคนที่เข้าไปอย่างรู้เนี่ยมันละได้ด้วยเช่นในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเพราะชาติมีชราและมรณะจึงมีไอ้รู้อย่างนี้รู้โดยที่ไม่เข้าไปยินดีในชาติและไม่เข้าไปยินดีในชรลาและมรณนะรู้ว่าเพราะชาติมีชรลาและมรณะจึงมี มันกลับไม่มีคือรู้ว่ามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ในสายเกิดแต่เพราะรู้อย่างละความติดละตัณหาในชาติในชรลามรณะนี่แหละชาติจึงไม่มีไม่มีคือหมายถึงไม่มีด้วยการละ เรื่องชาติมีชาติไม่มีเนี่ยตรงนี้ต้องอังหลัธิี่ใบให้ชัดและก่อนว่าไอ้คำว่าชาติไม่มีความไม่มีของชาติมันไม่มีได้ด้วยอาการอย่างไรตอบว่าคนที่เขาไปกาหนดรู้และละความยินดีในชาติเมื่อละความยินดีในชาติได้ชาตินั้นก็ไม่มี ไม่มีเนี่ยหมายความว่าไม่มีในชาติไหนอ่า น, นี้จะให้พูดวอย่างไหมายว่าจะต้องมีชาติมาให้กำหนดรู้ก่อนแล้วจึงละหรือว่าไปกำหนดรู้ชาติก่อนที่มันดับไปแล้วชรลาก็ดับไปแล้วแล้วจึงละหรือกำหนดรู้ในชาติหน้าซึ่งยังไม่เกิดแล้วจึงไปละหรือกำหนดรู้ในชาติัจจุบัน กาหนดรู้วชาติไม่ยินดีเมื่อไม่ยินดีชาตินี่ก็จะไม่ไมีเมื่อชาติไม่มีจะรา ม, มานักไม่มีเรานี้ก็ถามไปทำ ม, มาให้วุ่นวายไปกันแหละแต่ว่าคําตอบเอากันแบบเข้าใจได้เลยอย่างกรณีเราเนี่ยเวลาเราทําวิปัสสนาเนี่ยเราก็ตราบว่าเวลากําหนดรู้บรรลุลไปถึงอดีตถึงอนาคตนะแต่ว่าเราจะต้องตั้งหลัก กำหนดรู้กำหนดละเอากับนามรูปปัจจุบันใช่ไม่ใช่กำหนดรู้กำหนดละอยู่ที่นามรูปในปัจจุบันและอะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องอนาคตอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราอย่างรู้อดีตว่ามันเป็นทำนองอย่างนี้ก็ปัจจุบันนี่แหละครับมันเป็นตัวอธิบายให้เรารู้ อ, อดีตเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ไอชาต ชาลามรณะในปัจจุบันที่เรากำหนดรู้เนี่ยมันอธิบายไปถึงคนอื่นคนอื่นก็เป็นอย่างนี้พบไหนชาติไหนก็เป็นอย่างนี้ในทางข้อแท้จริงแล้วใครจะละได้ก็ต้องละได้ด้วยการกำหนดรู้แลว้วก็ละอย่างนี้และการที่เราจะทําชาติหน้าไม่ให้เกิดอีก <c oughs> ก็ต้องทําที่นี่ทําที่นี่หรือละที่นี่ ชาติในปัจจุบันถ้าเราเข้าไปชอบแปลว่าเราสร้างชาติใหม่จากปัจจุบันเป็นจะเรียกว่าเป็นแบบจำลองหุ่นจำลองที่เราเอาความรู้สึกเข้าไปปัมมป๊มไปปั๊มเอาชาติไปเราไปเห็นชาติแล้วเราชอบแปลว่าไอชาติปัจจุบันเนี่ยเราชอบไม่ชอบมันก็ต้อ ง, ต, องต้องดับใช่ไหมใช่เพราะนั้นอะไรทำให้ชาติเกิดแบบนี้อีก อะไรเป็นตัวเชื่อมโยงเป็นพลังเป็นตัวเก็บเอาแบบแผนไปตั้หาเข้าไปชอบชาติเหมือนว่าเราเนี่ยเข้าไปชอบตาของเราตาเราเป็นอมาตะหรือไม่ออมาตะไม่ออมาตะแต่เราชอบตาปัจจุบันของเรานี่แหละครับสร้างอนาคตที่ปัจจุบันตาเราชอบเราดูแลรักษาตาต้องเน่าต้องเปื่อย ต้องทำลายไปเสร็จแล้วตาใหม่ทำไมถึงเกิดขึ้นตาใหม่ไม่ใช่ตาเก่าอะไรเป็นตัวทำให้ตาใหม่เกิดขึ้นพลังตันหาที่เขาไปชอบนะครับอันนี้มันคล้ายๆกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมเนี่ยเอาของปัจจุบันมาทำเพื่ออนาคตเราใส่บาทข้าวก็บูดไม่ใช่ข้าวบูดไม่ใส่บาทนะใส่แล้วข้าวก็บูดขันก็พังไม่มีอะไรเหลือ แล้วอะไรมันเป็นตัวทําให้ไปได้ผลอย่างนี้ต่อไปตัวกุศ ล, ลเจตนานะะอันนี้เรียกเป็นพลังทางกรรมไอ้พลังทางตัณหาเนี่ยมันอีกอย่างหนึ่งนะมันก็เจอกันกรรมและตัณหานะฮะจริงยกเป็นเรื่องสำคัญสองอย่างนี้เพราะนั้นไอ้ความชอบของเราในชาติปัจจุบันเนี่ยเราชอบเราก็รู้ว่าคนปฏิบัติขั้นโลตระก็รู้ เพราะที่เราชอบเนี่ยเราถึงมีชาติชาติเราได้ในชาตินี้เพราะเราชอบมันในอดีตเราถึงมาได้ชาติปัจจุบันแล้วมาเจลาเหมือนมีชาติก็มีเจลานี่เมื่อเราไม่ชอบนี่แปลว่าเราเราละละนี่ไม่ได้แปลว่าทําลายชาติไอ้ชาตินี่เราไม่ต้องไปเขียนฆ่ามันก็ต้องทําลายอยู่แล้วใช่ไหมชาติปัจจุบันเนี่ยนะพู้นิชาปัจจุบันอดีตมันก็หมดไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มีให้เราจะไปเขียนฆ่าได้เราไม่ต้องใช้อาวุธอื่น วิธีตัดพพตัดชาติคือการสลัดความผูกพันนั่นแหละจะตัดได้เพราะนั้นเมื่อคนกำหนดเห็นอย่างนี้กำหนดรู้ในทางหลักเหตุผลว่เพราะชาติไม่มีเนี่ยจะลามมนะไม่มีและชาติจะไม่มีได้มันก็ที่การกำหนดละธนาเมื่อเราละธนาเจ้าตัวนี่จะรู้เลยว่าเราพ้นแล้วมันหลุดไปจากหัวใจ อ่ไอ้ตรงนี้น่ะคนปฏิบัติลึกๆแล้วพูดเป็นลักษณะอย่างนี้ว่ามันหลุดมันรู้สึกว่าหลุดอถ้าเราอธิบายให้พวกเราฟังเราก็ต้องเทียบให้หลุดยังไงในอารมณ์นั้นหลายคนไม่ตามว่าไอ้หลุดเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้หลุดคือหลุดจากไอ้ความมีเรื่อใหญ่เนี่ยนะในรูปในนามเนี่ยมันหลุดหลุดเหมือนอย่างกับผ้าหลุดออกไปจากที่แขวนโดนลมพัดนี่นะ ทีนี้ถ้าเทียบกับอย่างเราตัญหาระดับธรรมดาเนี่ยคนที่มีความผูกพันรักใกล้เป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่กับคนบางคนเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อเราตัดใจไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องทุกข์แต่ไอความรู้สึกขัดแย้งมันเกิดขึ้นว่าถ้าเราตัดใจเราจะเป็นทุกข์มากขึ้นเนี่ยปัจะะขืนเราตัดใจดิไปกันใหญ่เลยครับคิดไปอย่างนั้นนะแต่ว่าพอคนทําใจได้เนี่ย แล้วก็ตัดใจได้จะไปตัดเพราะว่าใครเข้ามาชี้แจงแนะนำหรือไปตัดได้ในขณะปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจเหตุผลก็มันตัดอัตโนมัติของสภาวะธรรมมันก็รู้สึกว่าอิสระหลุดหลุดพอหลุดแล้วตัวเองรู้ทันทีว่าต่อไปนี้นะคนคนนั้นไม่มีทางจะเรียกน้ำตาของเราได้อีกแล้วแม้แต่หยดเดียวพูดเป็นจำนวนนักปรยพันมันรู้อย่างนี้เลย บอกเอาเลยเชิญเลยคุณจะยังไงก็ได้หรือแม้แต่จะฆ่าฉันฉันก็ไม่เคยสะทกสะเทือนใจมันก็เหมือนไอจะใช้คำว่าด้านนี่ไม่เหมาะสมกับสภาวธรรมนะมันไม่รู้สึกเดือดร้อนไม่รู้สึกว่าไอพฤติกรรมเขามันจ ะ, ะแต่แม้แต่เขาจะหน้างอแม้แต่็จะด่าแม้แต่เขจะประพื้นนอกหลีบนอกกลางอย่างไรก็ไม่เป็นไรเลย หรือคนที่โดนใครเข้ามารัฐอาเบร์เป็นนี่เป็นสินเนี่ยถ้ายิงรู้เหตุรู้ผลไอ้สิ่งที่มันจะมาปลดตัณหาได้ดีที่สุดก็คือกฎแห่งเหตุผลความจริงของสภาวะธรรม ก, กดแห่งเหตุผลเหตุผลในตัวสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์เองแล้วก็เหตุผลคือไอ้บทบาทของตัณหาของกิเลสที่เข้าไปผูกพันสามอย่างเนี่ยมันสําพันธกันเรารู้สภาวะรู้เหตุผลที่มันเกี่ยวข้องกัน ตัณหาคลายตัวเองก็เบาแล้วก็รู้ออไอตัณหาเนี่มันเป็นตัวนำทุกมาเข้าสู่ตัวจริงๆแต่ว่าในเรื่องวิปัสนาเรื่องปฏิจจาเนี่ยท่านหมายถึงเอาทุกอย่างที่เป็นตัวหลักไม่ใช่ทุกจอนไอ้ทุกจรเนี่ยพอทุกตัวหลักหลุดทุกจอนก็หายหมดคนลองเบื่อชาติชาลาและมลณนะ ในทางเนื้อหาที่เป็นหลักแล้วเนี่ยอะไรอะไรในโลกนี้ย่ำดีใจิตใจไม่ได้จริงๆ <S <S เราคิดดูสิฮะว่าเราก็เบื่อชาติทั้งเราจะตายอยู่แล้ว้เราจะไปทุกข์ไววเขายัางงนเขาอย่างนี้เขาเจ้าชู้เขายังงูอย่างงีง้ไปทุกข์กับคนที่ก็มีชาติเป็นธรรมดาเหมือนเราหรือ เราโง่หรือเราฉลาดเสียเออไปทุกกระชาติของตัวเองชาติตัวเองก็น่าเบื่อแล้วยังจะไปตะเกียบตะกายไปเอาชาติเขามามาเป็นของตัวเอาตำแหน่งเขามาเป็นของตัวแล้วมันก็ขยายไปถึงแม้วัตถุในโลกนี้ทั้งหมดมันไม่ใช่ของไกลมันเป็นก้อนหินก้อนดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่นะปลายปรุงแปรไปเรื่อยๆกว่าจะมาถึงเรากี่แสนกี่ล้านกลับแล้วก็ไม่รู้แล้วหลังจากเราตายไปเขาเขาก็ยังอยู่เกินดับมันก็ไปแล้วก็เกินดับของเราไป ก็เท่านั้นนะต่างคนต่างชาติจารามอลนะชาติจารามอลนะเท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยถึงให้เราก็เอาไม่ได้ใช่ไหมฮใครเอามาให้เราเอแล้วนลในโลกนี้ขอลงมติยกโลกทั้งโลกให้คุณคลองเอามันไม่ได้หรอกครับไอที่เรารู้สึกว่าได้ไม่ได้มันปัญหามันคิดอืเอาเองทั้งนั้นอ่าวันนี้ บโมงแล้วครับคราวหน้าผมสรุปอีกสักสรุปกว้างๆอีกทีนะแล้วก็จบกันไปก่อนจะไม่อธิบายแบบจอดลึกเยอะถ้าอย่างนี้แล้วก็ถึงสิ้นปีนี้ที่จบสูตรนี้เราเราเรียนสูตรนั้นมุมนี้นิดมุมนี้หน่อยแล้วก็ให้ใค่อยๆรู้ประกอบกันไปเป็นส่สวนๆวันอาทิตย์หน้านะฮะจะให้ท่านกรอกใบสมัครเรื่องการ บรรยายพิเศษแล้วก็มีใบแนะนำโครงการอย่างแจกให้ไม่ทันในวันนี้นะแกว่ายังรออะไรบางอย่างอยู่วันนี้ก็ได้เวลาแต่ว่าเรามีสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องทำนะฮะเพื่อสแสดงเมตตาจิตแก่พวกมีคนหนึ่ง ที่ชื่อนคุณลุ่งนะฮะหนูลุ่งองจําได้ที่มาให้บริการแก่เราป่วยยาวัดจัยไม่<ๆ>ก็นับว่าเป็นบุญแด่หนูหนูลุ่งเนี่ยไปเยอะทีเดียวที่มาจัดอาหารว่างให้เราเนี่ยนะฮะปีเป็นปีทีเดียวผมก็ไม่ทราบพนันแค่ไหนนะที่เธอมาจัดการให้เราก็ได้ดื่มได้งคงจําได้จะลุ่มหลงสูงๆหน่อยผิวคล้ำๆหน่อยนะฮะ ชื่อหนูลุงนึกออกนะครับแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้ไปประสบบัติเหตุทางรถมอเตอไซแล้วได้ทราบข่าวว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้ชาปน ก, กิจไปเรียบร้อยแล้วด้วยก็เลยเป็นที่ชวนให้เราเกิดความตลดใจว่าทั้งสามีและตัวเองก็ต้องมา ตายถึงแก่มรณะในในวัยที่ยังไม่ถึงสี่สิบสามสิบต้นต้นเนีน่ยนะด้วยอุปเชษฐกะมรณะในกรณีเดียวกันคือทางรถแล้วก็รถประเภทเดียวกันนะ ด, ด้วยรถโมอเตอร์ไซค์ก็นึกว่าคงจะได้ทำกรรมในลักษณะคล้ายกันไว้เชียเดียวกับนักศึกษาเราบางคนที่ก็ได้เข้ามาสู่ธรรมะเพราะว่า ลูกประสบเตุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตไปแล้วก็อตัวก็มาเรียนธรรมะแล้วก็ในที่สุดก็ผู้ที่เป็นมารดาเนี่ยก็มาประสบบัติเหตุทางรถยนต์อีกแต่ว่าไม่ถึงเสียชีวิตแต่ก็เป็นผลทําให้ไม่อาจที่จะมาที่นี่ได้นะฮะก็ยังระลึกถึงอยู่ไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยนเยือนก็คงจะเป็นคนที่ได้ทํากรรมร่วมกันไม่ได้ตายพร้อมกันก็ตายในคนลักคล้าวกัน ในลักษณะเดียวกันทุกคนก็เป็นไปตามกรรมนะฮะซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีโอกาสที่จะสั่งสมสเสบียงใช้ความเป็นมนุษย์สแสวงหากำไรจากความเป็นมนุษย์นได้ต่างกันเราได้เห็นชีวิตของคนอื่นที่มาเป็นครูให้กับเราอย่างนี้ก็ต้องน้อมนึกอย่างนี้เราก็เมตตาสงสารเขามากขึ้นแล้วก็เกิดความสองวอนรวมตัวเองมากขึ้นด้วย สิ่งที่เราจะให้ท่านไม่ใช่เงินใท้ทองอย่างที่เคยแต่ดอเราคงจะเป็นบุญกุศลนะครับแล้วก็เมตตาจิตของพวกเราบางทีจะกระเสริฐมีผลยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ที่เราได้เคยบริจาคเกื้อกูลไปเพราะนั้นก็หนูลุงเนี่ยเวลานี้จะ ท, ที่แห่งใดก็ตามขอให้รับทราบว่าพวกเรา ที่ได้เคยได้รับบริการจากเธอเนี่ยยังระลึกถึงความดีของเธอแล้วก็ขอตอบแทนในโอกาสสุดท้ายด้วยบุญกุศลที่รับเป็นสําคัญและบุญที่ได้ใส่บาตในเมื่อเช้านี้ก็ดีบุญอื่นทั้งหมดที่ได้ทําเป็นการส่วนตัวหรือทําร่วมกับผู้อื่นหรือทําร่วมกับเพื่อน ผู้ร่วมประพฤติ ธ, ธรรมในที่นี้ขอให้บุญเหล่านั้นเธอทั้งหมดขอให้เธอได้รับทราบแล้วได้ตั้งจิตอนุโมทนาขอให้ความทุกข์ความวิบัติทางสรีละที่ปรากฏเมื่อตอนประสบอุบัติเหตุถ้ายังจะติดค้างเป็นชนกกรรมหรือเป็นอุปปิเรกกรรมในภพใหม่ชาติใหม่ ขอให้กรรมนั้นจงสิ้นสุดด้วยคุณสมรกรรมที่อนุโมทนานี้ขอให้ได้อัตภาพที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แข็งแรงแจ่มใสเบิกบานมีดวงจิตที่แท้จื่นละความอาลัยในชีวิตที่ผ่านมาและขอให้ได้เกิดในสุคติภูมิจะเป็นเทวดาชั้นใดก็ตามขอให้ มีที่อยู่ที่อาศัยที่ถูกจเรื่องนุ่งห่มครบทุกอย่างมีอาหารบริโภาคอาวหวานน้ำดื่มทุกชนิด